ปัญหากับฉันทะเอตแห่งทุก์และมูลแห่งธรรมทั้งปวงหลักธรรมสําคัญที่จําเป็นต่อความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์และเพื่อเข้าใจคําสอนของพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องกับปัญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจคือความอยากความต้องการที่ไม่ดีต้องละกับความอยากความต้องการที่ดีที่จําเป็นต้องมีที่ผู้สนใจทรมักเข้าใจคลาดเคลื่อนสับสน เสียงอานหนังสือพุทธธรรมฉบับปรับขยายภาคที่สบทที่21บทความประกอบที่สปัญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออปยุตโตจากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ห5หตัวอย่างหัวข้อภายในความอยากกับกลไกชีวิตในการกระทาความหมายของตัณหาและฉันทะที่ควรรู้ให้ชัด ตันหากับการกระทาในระบบเงื่อนไขความก้าใจหลักธรรมตามหลักฐานทางวิชาการความหมายของฉันทะที่เป็นต้นต่อของทุกและที่ตั้งต้นของกุศ ล, ลธรรมแรงจูงใจแห่งตัญหาและฉันทะระบบเงื่อนไขของตัญหาระบบตรงไปตรงมาของฉันทะฉันทะกับเมตตาและพรหมิหารสี เกี่ยวข้องสืบเนื่องและเป็นปัจจัยแก่กันอย่างไรกระบวนการเกิดของฉันทะฉันทะอยากชั่วตันหาอยากดีมีหรือไม่ข้อควรระวังเกี่ยวกับตันหาที่แทรกมากับฉันทะความอยากนิพพานอย่างไรเป็นฉันทะอย่างไรเป็นตันหาการกำจัดตันหาด้วยตันหาสรุปข้อควรกำหนด เกี่ยวกับตันหาและฉันทะและการพัฒนาคนด้วยการพัฒนาความต้องการอ่านโดยอริยคุณร่วมจัดทาโดยเจ้าภาพหลักครอบครัวสินทวัตครอบครัววัฒนาการค้าดีวันนิพามหาศักสิริเจ้าภาพรองจอร์ดคลินตันบุชีครอบครัวสีโพคาครอบครัวมิสุนทรานนพระมหาธนกพัฒกูุณวโร